นี่แหละเขาว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างนี้แล้วก็คิดจะเอาอย่างงันอีกต่อไปสําหรับน้ําส้มวิกดองที่คุณว่านั่นน่ะมันจะไปยากอะไรน้ําส้มใสชูเราก็มีอยู่แล้วถึงพริกชิฟ้าจะไม่มีก็เห็นพวกคุณเก็บพริกขี้หนูสดมาสต๊อกกันไว้มากไม่ใช่หรือเอาพริกขี้หนูมาดองน้ําส้มกันสแล้วจะต้องการเสียงดนตรีประกอบอีกไหมจะได้ขนเอาเครื่องสเตอริโอมาเปิดให้หล่อนประชด วิเศษสุดๆวิเศษถ้าจานเสียงที่เปิดเป็นเพลงจังเกิลฟลูทที่ระบบอัดในสเตอริโอโฟนิกดารินอดหัวเราไม่ได้ร้องออกมาเบาๆวา่าบ้าแล้วก็หันไปร้องบอกพวกนั้นว่าเอาละฉันจัดการให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเขาต้มสุกใครหิวก็กินได้ก่อนเลยแล้วนายชายสองคนละครับเกิดถามขอบอกให้ปลูกเมื่อไหร่ล่ะ เที่ยงคืนระพินเป็นคนบอกหล่อนเลิกแขนเสื้อจะเกิดขึ้นดูนาฬิกาก็มีนี่เพิ่งจะดสี่ทุ่ม ก, กว่าเท่านั้นเอาไว้ถึงเวลาค่อยปุกพวกเราใครหิวก็ไม่จะเป็นต้องรอหรอกเสร็จแล้วเอาหม้อข้าต้มตั้งบนกองไฟลุมอ่อนๆไว้ระวังอย่าให้ถูกฝนแล้วเราจะมีข้าวต้มร้อนๆกินกันตลอดคืนว่าแล้วก็หันไปคว้าปืนทุกกฎที่วางพิงเกวียนอยู่ เดินทอดน่องเอื่อยๆมีอาการเหมือนจะตรงไปยังกระโจมพักแต่แล้วก็หยุดยืนอยู่ที่โขดหินใหญ่รูปหนึ่งใกล้ต้นกระดาษอันขึ้นซุม้มทึบในระหว่างป่าเฟิ่อรอบด้านใช้ฝิดฉายที่ติดมืออยู่ส่องกลาดสำรวจดูในราวป่าอันมืดมิดรอบด้านทั้งระดับสุมทุ่มพุ่มพฤกษ์และตามปลายยอดของกิ่งไม้ที่ปกคลุมหนาทึบพรานใหญ่เดินตามเข้ามาหยุดใกล้ๆหล่อนก็ถามมาโดยไม่เดียวหน้าว่า จะตามมาเอาเครื่องเล่นจานเสียงสเตอริโอกำลังเขาหัวเราะเปล่าหรอกเขาต้มสุกแล้วอยากจะมาเชิญแม่ครัวใหญ่ไปกระทำพิธีเปิดรายการเอาเลิกหน่อยพวกนั้นกำลังรอคุณหญิงทำไมเดินหนีมาซะก่อนละครับฉันยังไม่หิวหรอกก็บอกแล้วว่าให้พวกคุณจัดการกันก่อนถ้าหิวหล่อนพูดเหนื่อยๆคงสองไฟกาดอยู่ไปมาเช่นนั้นแปลว่าคุณหญิงไม่ทานหรือ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 พี่ใหญ่กับชายยานก็มีความรู้สึกเหมือนๆกันที่นี่มันเป็นแอ่งกระทะในระหว่างเขาสูงรอบด้านอ่านมีใบไม้เน่าๆหลายชนิดที่หล่นลงมาทับโถมกันและเหยเป็นกลิ่นแก๊สทําให้เราหายใจเข้าไปแล้วทําให้รู้สึกไม่สบายชวนให้ตะขันตะคอและทําให้ประสาทไม่ดีแต่เราจะพักอยู่ที่นี่เพียงแค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ก็ไปต่อแล้วต่างเงียบกันไปชั่วขณะ เสียงกบเทียนยังคงร้องแซ่อยู่ในลาห้วยสลับไปกับจิ้งหรีดเดรย์และนกที่หากินกลางคืนที่ดังมาเป็นเสียงแปลกๆฟังแล้วชวนขนลุกนานๆนนก็มีเสียงเสือร้องคำรามเรียหาคู่แววแซกลมดึกและความสงัดของไพรชัดมาจากเชิงเขาต้นของลําห้วยแล้วก็ปรากฏเสียงกระหึ่มของคู่มันโต้ตอบมาจากโดงฝั่งตรงข้ามได้ยินอย่างถนัดชัดเจนเหมือนมันจะร้องอยู่ใกล้ๆบริเวณแคมป์นี้เอง ทันทีที่ปรากฏเสียงคำรนของเจ้าป่าสัปปะมะแรงนกและแม้แต่กบในลำห้วยก็สงบเงียบกริบลงชั่วขณะราวกับนัดกันไว้ครูใหญ่โดนตีป่าก็เริ่ม เ, เบลงต่อไปตามธรรมชาติของมันและจะเงียบลงในทุกครั้งเมื่อพยากร้ายโกลจนาดขึ้นหล่อนเงี่ยวหูสดับรับฟังเสียงเหล่านั้นอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วมองสุตาพรานใหญ่นิ่ง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 เวลามันย่างกายเข้าไปในป่าไหนตุ๊กแกที่อยู่ตำโพรงไม้สูงสูงก็ยังหยุดร้องถ้าเราเคยชินกับป่ามาพอสมควรเราก็จะพอจะจับรหัสป่าได้จากสิ่งแวดล้อมรอบด้านเหล่านี้มีเสียงสัตว์อะไรมากกว่าหนึ่งตัวส่งเสียงขู่กันแฟ่่ฟ้าอยู่บนกิ่งม่ก่อกป่าบนเนินใกล้่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ามสะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่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 เพราะช้างตัวโตเวลาเดินก็มักจะรากกิ่งไม้ดูเป็นทางไปทีเดียวมีเสียงให้ฟังได้ชัดเจนถึงงานก็ตามปร่เหมาะบางทีช้างก็เดินย่องก็มาทางข้างหลังเราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันในกรณีที่ภูมิประเทศเป็นป่าปโปง่งไม่มีพุ่มไม้หนาแน่นและเป็นพื้นดินแข็งกิ้งกริยงโดยไม่มีเศษกิ่งไม้ร่วงอยู่ตามปกติแล้วช้างเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเดินเบามาก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 ถ้ามีโอกาสเข้าป่าราชสัตว์ร่วมอยู่กับพรานที่ชำนาญดีด้วยตนเองแล้วผมก็กล้าท้าพ น, นันได้ว่าคุณหญิงไม่มีทางที่จะเขียนออกมาเป็นวิทยานิพนธ์หรือตำราสอนใครโดยทฤษฎีให้ได้ผลได้นอกจากจะโมเมโกหกเอาหล่อนหัวเราะออกมาเบาๆพยักหน้าเนิบๆถ้าจะจริงนะไม่งั้นใครๆที่คิดจะเดินป่าหรือราสาัตว์ก็ควรจะเรียนเอาได้จากตำราแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องจ้างพรานให้เสียเงินเปล่า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 พี่ชายของหล่อนบอกเมื่อระพินถามถึงน่าเสียดายอุตส่าห์เป็นคนลงมือปรุงข้าวต้มเองไม่รู้ขึ้นมาทานด้วยข้าวต้มกบหม้อนี้น้อยเป็นคนทำเหรอชายยันโซโทโฮ ด, ด้วยความอร็ดอร่อยเลิกคิ้วถามอย่างแปลกใจครับฝีมือคุณหญิงไม่สังเกตหรือครับเรื่องเครื่องข่าวออกครบรสก็เยี่ยมถ้าพวกผมถากันคุณชายกับคุณชายานเห็นจะกินไม่ลงแน่เอ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 คว้าแลบขนองกล้องอยู่ตลอดเวลาเชิดถาและชายยานคว้าเสื้อฝนออกมาคลุมตัวช่วยพรานใหญ่ควบคุมสั่งงานพวกลูกหาบจนเป็นที่เรียบร้อยพอใจแล้วก็กลับเข้าไปนอนต่อไฟทุกกองที่พยายามก่อไว้รอบนอกถูกฝนดักหมดนอกจากไฟสายฝนกองใหญ่กองเดียวซึ่งบัดนี้ก็เพียงแค่คุกกรุ่นเป็นฐานแดงๆเท่านั้นทุกคนห่อตัวอยู่บนเกวียนที่คลุมไว้ด้วยผ้าใบและพลาสติกนอนกันอย่างเบียดเสียดเยียดยัด พื้นดินปนหินเบื้องร่างนองจึงไปด้วยน้ําบริเวณแคมป์ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดนอกจากภายในกระโจมเองก็ครุกคลักไม่น้อยเหมือนกันเพราะน้ํำนองจึงเข้ามากว่าฝนที่กระหน่ำหนักจะหยุดลงก็เป็นเวลาประมาณตีสองทุกคนหลับสนิทนอกจากพวกอยู่เวรยามก่อนที่เพนผ่านใหญ่จะล้มตัวลงนอนหลับไปเขาเห็นเงาตะวคู่ของแง่ทรายมายืนยิงฟันขาอยู่ท้ายเกวียนขมวด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 เลียวมองไปรอบด้านด้วยอารมณ์ที่สดชื่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าป่ามานกและผีเสื้อหลกักหลากสีพากันบินอยูุ่กลาดเกลือนมีฐา น, น้ำตกเล็กๆพุ่งออกมาจากเวิงขวากผาที่เห็นเขียวชะอุ่มสลับไปกับสีเหลืองแดงและม่วงของดอกว่านชูช่ออยู่สะพรั่งระหว่างที่ขบวนเกวียนทั้งหมดกำลังลุยข้ามลำธารตื้นๆใกล้ผาน้ำตกดาลินผู้ใช้กล้องสองทางกายกลาดสองดูนกกับผีเสื้อและกล้วยไม้ก็มาสะดุดชะงัก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 กล้องอันนี้คงไม่หลอกตาแน่ในเงามืดที่คบไม้สูงริมผาน้ำตกน่นน้อยเห็นปากแดงๆแล้วก็ตาเขียวๆคู่หนึ่งฮ่าชา ย, ยันร้องคว้ากล้องประจำตัวขึ้นมาส่องตามโดยเร็วเวชษฐาก็เอากล้องของตนส่องด้วยเป็นเวลาเดียวกับรัพยินเดินดวยน้ำเข้ามาหาอะไรหรือครับเสือดำเชษฐาบอกด้วยเสียงแผ่วเบาและเอากล้องออกจากตาพยายามเพ่งดูด้วยตาเปล่าอีกครั้ง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 นี่ท่าไม่ชี้ดูผมก็หันไปไม่เห็นเหมือนกันเพราะไกลลิบบางอยู่ในความมืดด้วยจะไม่ลองซ้อมมือดูหรือครับประโยคหลังเขากล่าวขึ้นร่อยๆมองไปยังทั้งสามเชษฐาชา ย, ยันและดารินหันมามองดูตากันเองใครจะยิงก็ยิงฉันนะไม่หลอกเชษฐาคงเป็นผู้ใหญ่อยู่เสมอน้อยเป็นคนเห็นน้อยก็ควรยิงชา ย, ยันบอก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 เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่าให้ลองซ้อมมือคุณนั่นแหละซ้อมให้เราดูรพินหัวรอกขันขันเข้าใจเจตนาเพื่อจะรองดีของหล่อนได้เป็นอย่างดีรับปืนมาโดยไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรทั้งสิน้นวางปืนของตนพิงเกวียนไว้ยกขึ้นประทับเรลงในศูนย์กล้องความจริงเขาก็เห็นไม่ถนัดเหมือนกันและกล้องที่ติดสองเจ็ดศกระบอกนั้นก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดอะไรมากนะัก